พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วมีพระยานเนี่ยไม่ขัดข้องในอดีตเนี่ยนะมีพระยานไม่ขัดข้องในอนาคตมีพระานไม่ขัดข้องในปัจจุบัน น, นะนะเราวยในการสามเนี่ยทั้งมวลเนี่ยที่จะขัดข้องไม่มีกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมเนี่ยย่อมเป็นไปตามพระยานคือพฤติกรรมของพระองค์ทั้งหมดเนี่ยเป็นไปตามพระาน บทธรรมที่ควรแนะนําประมาณเท่าใดพระยานก็มีเท่านั้นพระยานเท่าใดบทธรรมที่ควรแนะนําก็เท่านั้นพระยานเนี่ยมีบทธรรมเป็นที่สุดรอบอ Travel. แห่งบทธรรมที่ควรแนะนําบทธรรมที่ควรแนะนําก็มีส่วนสุดรอบแห่งพระยานพระยานเนี่ยไม่เป็นไปรอบเกินบทธรรมที่ควรแนะนําทางแห่งบทธรรมที่ควรแนะนําก็ไม่เกินพระยานไปพระธรรมนั้นอะ่ะมีความตั้งอยู่ในส่วนสุดรอบของกันและกัน เหมือนกับอะไรเหมือนเมื่อชั้นผราอบเนี่ยสองชั้นเนี่ยปิดกันสนิทพอดีผราอบชั้นล่างก็ไม่เกินผราอบชั้นบนผราอบชั้นบนก็ไม่เกินผาอบชั้นล่างชั้นผาอบทั้งสองนั้นอ่ะมีความตั้งอยู่ในส่วนสุดรอบของกันและกันฉันใดพระผู้เอ่อบทธรรมที่ควรแนะนำก็ดีพระยานก็ดีของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วผู้มีความตั้งอยู่ในส่วนสุดรอบของกันและกัน บทธรรมที่ควรแนะนำเท่าใดพระยานก็เท่านั้นพระยานเท่าใดบทธรรมที่ควรแนะนำก็เท่านั้นพระยานมีส่วนสุดรอบแห่งบทธรรมที่ควรแนะนำบทธรรมที่ควรแนะนำก็มีส่วนสุดรอบแห่งพระยานพระยานไม่เป็นไปเกินบทธรรมที่ควรแนะนำทางแห่งบทธรรมที่ควรแนะนำก็ไม่เกินพระยานมันธรรมะเหล่านั้นมีความตั้งอยู่ในส่วนสุดรอบของกันและกันชนนั้นเหมือนกันเนี่ยนะ มันพยานของพระองค์เนี่ยกว้างขวางพิรำว่าสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นควรแนะนําสั่งสอนมีปริมาณเท่าใดเนี่ยพระองค์รู้ละสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนะพยานของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้แต่สรู้แล้วย่อมเป็นไปรอบในธรรมทั้งปวงธรรมทั้งปวงเนี่เนื่องด้วยความนึกถ้าอยากรู้ว่านึก็รู้แล้วเนี่ยนะเนื่องด้วยความหวังเนื่องด้วยมนสิการเนื่องด้วยจิตตุบาทแต่ว่าความรู้ของพระองค์ไม่ได้รู้ตลอดเวลาไม่ว่าจะยืนโดนนั่งนอนหลับตื่นไม่ใช่นะ แต่หมายถึงว่ามนสิการเมื่อใดใส่ใจเมื่ อ, อไรเนี่ยนะประสงค์จะรู้อะไรก็รู้ทันทีพระผูพ้พระยานของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วย่อมเป็นไปรอบในสัตว์ทั้งปวงเนี่ยนะท่านก็รอบรู้พวกเราทั้งหลายเนี่ยนะร่างกายของพวกเราเนี่ยหรือสภาพจิตของเราทั้งหลายของสัตว์ประสททั้งหมดนนะเนี่ยนะพระองค์เนี่ยรอบรู้ทั้งหมด อันพระองค์เนี่ยวิเคราะห์สัตว์ทุกประเภทได้เลยไม่ว่าจะโดยอัธยาศัยอนุสัยจิริตอาทิมุตแห่งสัตว์ทั้งปวงเนี่ยพระองค์รอบรู้ทั้งหมดนะเนีเขาไปยังไงมายังไงพอจะบรรลุไดไรร้ไม่มีคุณธรรมไม่มีคุณธรรมอินทรีย์เป็นต้นเนี่ยรู้หมดอ่ะย่อมทรงทราบสัตว์ผู้มีกิเลสทุลีน้อยในปัญญาจักษุมีทุกกิเลสทุลีมากในปัญญาจักษุมีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อนมีอาการดีมีอาการทราม เป็นผู้ควรแนะนําได้โดยง่ายแนะนําได้โดยยากสอนง่ายสอนยากเนี่ยนะเป็นพัพะคือบรรลุได้หรือบรรลุไม่ได้พระองค์รู้หมดอะ่ะเพราะฉะนั้นโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกมูสัต์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ย่อมเป็นไปรอบภายในพระพุทธญาณอุปมาเหมือนว่าปลาและเต่าทุกชนิดโดยรวมเอ่อโดยที่สุดรวมทั้งปลาติมิปลาติมิงฆะปลาติมิติมิงคละ ย่อมเป็นไปรอบภายในมหาสมุทรปลามันมีปลาตัวไหนเต่าตัวไหนบ้างมันใหญ่เกินสมุทรนะไม่มีมีแต่เล็กกว่าสมุทรทั้งนั้นนะสมุรนี้ใหญ่ที่สุดฉันได้โลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกมูสัตรพร้อมทั้งสัมมาภา์เทวดาและมนุษย์ย่อมเป็นไปรอบภายในพระพุทธญาณฉันนั้นเหมือนกันนกทุกชนิดโดยที่สุดรวมทั้งครุฑเวนไตยโคตร ย่อมเป็นไปรอบประเทศอากาศฉันใดพระพุทธสาวกทั้งหลายผู้เสมอด้วยภาษารีบุตรโดยปัญญาก็ย่อมเป็นไปรอบภายในประเทศแห่งพระพุทธญานฉันนั้นเหมือนกันก็อย่างเช่นว่านกทุกชนิดมันไม่ใหญ่ไม่มีนกตัวไหนใหญ่เกินอากาศหรอกเนี่ยนะอากาศเนี่ยมันกว้างขวางยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยนะใหญ่กว่านกเทียบกันไม่ติดแม้แต่ผู้มีปัญญาทั้งหลายที่เสมอด้วยภาษารีบุตรก็เหมือนกันไม่มีใครมีปัญญาเสมอกับภาษารีบุตร แต่ว่าพัฒน์ปัญญาของภาษารีบดก็ย่อมเป็นไปรอบภายในพระพุทธญาณฉันนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธญาณย่อมแผ่ปกคลุมปัญญาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตั้งอยู่เนี่ยนะความที่พระองค์มีปัญญาอย่างนั้นเนี่ยนะไม่ว่าพวกบัณฑิตบัณฑิตนะคือผู้ฉลาดผู้มีความรู้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์พรามหมณ์ครหบดีสมณนะที่มีปัญญาละเอียดรู้ว่าทะของผู้อื่น รู้ถ้อยคำรู้คำพูดของของคนอื่นทั้งหมดเนี่ยนะอุปมาเหมือนนายขมังธนูยิงขนหางทรายเนี่ยแม่นคือปัญญาเนี่ยเหมือนกับ น, นักยิงแมนน่นนะนะเที่ยวไปดุดทำลายทิฐิของผู้อื่นด้วยปัญญาของตนบัณฑิตเหล่านั้นปรุงแต่งปัญหาแล้วเข้ามาเฝ้าพระตาถาคตทูลถามปัญหาเหล่านั้นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสย้อนถาม นนะแล้วก็ตรัสแก้ไปเป็นปัญหามีเหตทุที่ทรงแสดงออกและทรงสลัดออกนี่ย น, นะก็คือแก้ปัญหาให้เขาได้ทั้งหมดนั่นแหละเพราะนั้นบัณฑิตเหล่านั้นย่อมเลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงไพร่โรดยิ่งด้วยพระปัญญาในที่นั้นโดยแท้แลเพราะฉะนั้นอย่างนี้เรียกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระจักสุด้วยปัญญาจักสุกนั่นก็เป็นผู้ที่มีปัญญากว้างขวางรอบรู้โดยไม่มีส่วนเหลือเลยเนี่ยนะ ส่วนจักระสุอย่างที่สามของพระผู้มีพระภาคเจ้าจักระสุอย่างที่สามก็คือพุทธจักรสุนี่นะพุทธจักรสุก็คือตาที่มีสําหรับพระพุทธเจ้าคืออันนี้ถ้าแบ่งเป็นสองยานก็มีอยู่สองยาน น, นะพุทธจักรสุมีสองยานก็คืออินทรียะปโปรปรยิยติยานกับอาสยานุสยะยานยานอันนี้มีเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นเพรื่อนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยมีพระจักรสุด้วยพุทธจักรสุก็คือ พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักสุปกติแล้วพระองค์จะตรวจวันละสองรอบเนี่ยนะเช้ามืดครั้งหนึ่งกับช่วงบ่ายอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะวันละสองรอบวันละสองรอบได้ทรงเห็นหมูสัตว์ทั้งหลายผู้มีกิเลสทุลีน้อยในปัญญาจักสุมีกิเลสทุลีมากในปัญญาจักสุมีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อนมีอาการดีมีอาการทาม เป็นผู้ควรแนะนําได้โดยง่ายแนะนําได้โดยยากบางพวกเป็นผู้เห็นโทษและภัยในปารโลกอยู่ น, นะครับว่ารับรู้จิตนิสัยอัธยาศัยอุปนิสัยของเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหมดเนี่ยนะเปรียบเหมือนว่าในกอบัวเขียวกอบัวแดงหรือในกอบัวขาวดอกอุบลดอกบัวแดงหรือดอกบัวขาว บางดอกเกิดในน้ำเจริญในน้ำขึ้นตามน้ำจมอยู่ในน้ำอันน้ำหล่อเลี้ยงเอาไว้บางดอกก็เกิดในน้ำเจริญในน้ำตั้งอยู่เสมอน้ำบางดอกก็เกิดในน้ำเจริญในน้ำโผล่ขึ้นพ้นน้ำน้ำไม่ติดฉันใด e. ที่ถ้าเปรียบเทียบนะว่าพวกดอกบัวอยู่ตั้งอยู่ในน้ำเนี่ย네นะก็เหมือนพวกนายบุคคลตั้งอยู่เสมอน้ำก็พวกวิปัญจิตันยุบุคคลบัวพ้นน้ำก็คือพวกอุคติตันยุบุคคล อันนะันบัวในที่นี้เน้นเอาผู้ที่พอบรรลุนะถ้าพวกไม่ได้บรรลุเนี่ยเราบัวใต้น้ําหมดอันนะัพวกปะทะประมะเนี่ยนะแต่ก็ถึงสมมุตินะถ้าอย่างพวกเราทั้งหลายทําไมบรรลุชาติเนี่ยชาติหน้าก็บรรลุเร็วหน่อยนะเพราะเรียนไม่มากแล้วว่ะแต่ถ้าไม่เรียนไว้เลยเนี่ยนะชาตินี้ก็ไม่บรรลุและชาติหน้าก็หนักกว่าชาตินี้อีกเนี่ยนะพะันธาสะสมไวด้ดีไม่น่ากล้วเนี่ยนะถ้าสะสมบุญไว้แล้วเนี่ย ผลจริตนิสยัยสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างไดพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักสุกก็ได้เห็นมูสัตว์อย่างนั้นอะ่ะสัตว์เหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นผู้มีกิเลสทุลีน้อยในปัญญาจักสุมีกิเลสทุลีมากในปัญญาจักสุมีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อนมีอาการดีมีอาการทรามแนะนําได้โดยง่ายแนะนําได้โดยยากหรือว่าบางพวกเป็นผู้เห็นโทษและภายในปรโลกอยู่ก็ฉะนั้นรอบรู้สัตว์เหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนะ พระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงทราบว่าบุคคลนี้เป็นราคะจริตแต่อย่างที่ในสูตรก่อนๆใช่ไหมถ้าราคะจริตพระองค์สอนอะไรอนนี้สอนกรรมฐานแต่คือพระองค์เนี่ยยังรู้แยกแยะจริตของสัตว์ไม่ว่าจะเป็นราคะจริตโทสะจริตโมหจริตวิตักระจริตศรัทธาจริตหรือญาณจริตทีนี้กรรมฐานที่พระองค์สอนแนะนําก็บอกว่าตรัสบอกอสุภะสอนอสุภกถาแก่ผู้เป็นราคะจริต ก็พูดถึงร่างกายทั้งหลายแลยนะรายนี้ น, นะเป็นรังของโรคเนี่ยนะประกอบด้วยของไม่สะอาดเป็นต้นนะ่ะถ้าเป็นคําสอนประเภทนี้ให้รู้ว่าผู้ฟังนั้นเป็นราคะจริตพระองค์ก็ตรัสบอกเมตตาภาวนาแก่ผู้ที่เป็นโทสะจริตเนี่ยนะคนมักโรกรธพระองค์ก็สอนเรื่องเมตตาเนี่ยนะพระองค์ก็แนะนําผู้ที่เป็นโมหะจริตให้ตั้งอยู่ในการเรียนเรียนให้มากให้ตั้งอยู่ในการไต่ถามสอบถาม ตั้งอยู่ในการฟังทาตามกาละอันสมควรเนี่ยนะสนทนาทมตามกาละอันควรการอยู่ร่วมกับครูเนี่ยนะก็อยู่ร่วมกับครูนะ้นผู้ที่โมหะเจริญทั้งเรียนทั้งถามทั้งฟังทั้งสนทนาแล้วก็อาศัยอาจารย์ดีหน่อยนะก็ร่วมกับครูที่ดีทันครูก็จะแนะนำสั่งสอนให้ก็จะพอฉลาดได้พระองค์ก็ตรัส บ, บอกอาณาปานสติแก่ผู้ที่เป็นวิตกะจริญเนี่ยนะพวกคิดมากนะ วันนั่งแป๊บเดียวเนี่ยคิดไปได้ไกลไม่รู้กี่พันโยต์อ่ะพวกนี้ก็เจริญอนาปานสตินะแล้วก็ตรัสบอกพระสูตรอันเป็นนิมิต ด, ดีคือความตรัสรู้ดีแห่งพระพุทธเจ้าความเป็นธรรมดีแห่งพระธรรมความปฏิบัติดีแห่งพระสงฆ์และศีลทั้งหลายของตนอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสแกผู้เป็นศรัทธาจริต เพรานกลุ่มที่เป็นศรัทธาจริตนี่ก็สอนสอนเนี่ยพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหรือว่าศีลที่เขารักษามาเป็นอย่างดีมันเข้าคี้ตรึกอย่างนี้ไปบ่อยๆจิตเขาจะผ่องใสยิง่งยิ่งขึ้นไปนี่สําหรับผู้ที่เป็นศรัทธาจริตอย่างที่เราเรียนผ่านมาแล้วเนี่ยนะพวกศรัทธาจริตก็เนี่ยเรียนตัววัตตาะาสูตรอย่างเงี้ยนะเหมาะวิตตตะจริตก็จุฬ า, า, าวิยูหสูตรโมหะจริตก็มหาวิยูหสูตร โทสจิริตก็กระห่วิวาทสูตรเนี่ยนะพวกผู้ที่จริตก็ปุราเพทสูตรพงตรัสบอกธรรมะอันเป็นนิมิตแห่งวิปัสสนาซึ่งมีอาการไม่เที่ยงอาการเป็นทุกข์อาการเป็นอนัตตาแก่ผู้ที่เป็นญาณจริตอย่างในสังยุตติกายเนี่ยนะที่บอกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาของขันธาตุอายตนะเนี่ยนั่นแหละผู้ที่ฟังเนี่ยเป็นญาณจริตเนี่ยนะขณะนั้นนะ่ะขณะที่ฟังเนี่ยเป็นญาณจิริต พระองค์นี้รอบรู้จริตอัธยาศัยของสัตว์อุปมาเหมือนว่าบุรุษยืนอยู่บนยอดภูเขาศิลาพึ่งเห็นหมู่ชนโดยรอบชั้นใดสมัยนี้ก็ต้องขึ้นบนตึกสูงๆเนี่ยนะตึกสูงๆอยู่บนชั้นดาดฟ้าสุดอ่ะก็มองเห็นโดยรอบชันใดข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระปัญญาดีมีพระจักษุโดยรอบพระองค์เนี่ยมีความโศกไปปราดแล้วคือหมดความเศร้าโศกแล้ว ทรงขึ้นสู่ปราศาทตร์อันสำเร็จด้วยธรรมขอจงทรงตรวจดูหมู่ชนผู้อาเกียนด้วยความโศกนะะขึ้นอยู่ที่สูงก็เห็นเธอเขาทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่มีความโศกอยู่เขาเหล่านั้นถูกชาติและชราครอบงำก็ฉันนั้นนะนั้นก็ให้ให้ตรวจดูส่องดูนะว่าส ร, รพพะสัตทั้งหลายเขากําลังเดือดร้อน<ๆ>เขากําลังเศร้าโศกพระองค์ก็จะสามารถส่งเห็นความทุกข์ความโศกของเหล่าสัตว์อย่างนั้นแหละ นี้ก็มาขึ้นจากสุอันสุดท้ายเนี่ยนะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระจากสุแม้ด้วยสมันตาจากสุถามว่าเป็นอย่างไรสมันตาจากสุก็คือพระสัพพัญยุตยา น, นั่นแหละเรียกว่าสมันตาจากสุพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะไปใกล้ไปใกล้ก็ดีเข้าถึงเข้าถึงดีแล้วเข้าไปถึงดีแล้วประกอบแล้วด้วยสัพพัญยุตยาน พระองค์เนี่ยมีสัพพัญยุตยานเนี่ยนะสัพพัญยูก็คือรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่มีส่วนเหลือเหมือนคาถาประพันธ์ที่ว่าสิ่งอะไรอะไรในไตรโลกธาตุนี้อันปัญญาจักษุของพระตถาคตไม่ทรงเห็นแล้วย่อมไม่มีอะไรก็ทำเอออันหนึ่งธรรมชาติอะไรอะไรอันพระพุทธญาณไม่รู้แจ้งแล้วและที่ไม่พึงรู้ย่อมไม่มีที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นที่พระองค์ไม่รู้่ไม่มีหรอก นั้นธรรมชาติที่ควรแนะนํามีอยู่เท่าใดพระองค์เนีทรงทราบแล้วซึ่งธรรมชาติที่ควรแนะนํานั้นทั้งหมดเพราะเหตุนั้นพระตถาคตจึงชื่อว่าผู้มีสมัญตะจักสุมีปัญญาโดยรอบเนี่ยนะรอบรู้ด้วยอานาจสัพพัญยุตยานนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระจักสุด้วยสมัญตะจักสุอย่างนี้เนี่ยนะ มันพระองค์เนี่ยมีจักษุมันเมื่อพระองค์มีจักษุอย่างเนี้ยปรากฏเด่นชัดแก่เหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในตอนนั้นนะนะ